จริงๆแล้วอ่ะนะการตายของทางโลกเขาถือว่าสุดแต่ทางธรรมไม่ใช่นั่นคือจุดเริ่มการตายคือการเริ่มนะเพราะอะไรเพราะจุติกับปฏิสนธิมันใกล้กันแค่ขณะจิตเดียวจุติปับปฏิสนธิทันทีอ้าวก็เริ่มมาใหม่อีกแล้วสมมตินะอย่างอย่างพราหมณ์คนหนึ่งเขาก็ไปคุยกับพระพุทธเจ้าเขามีมานะมากเขาบอกเขาเนี่ยอายุร้อยยี่สิแล้วนะพระพุทธเจ้านี้สมณะโคโดมายุเพิ่งสาเสิบเศษๆน่าจะไหวเข้าบ้างกราบเข้าบ้างเหนะ ผมก็บอกว่าโอ้โหพรามนี้ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยว่าจะเป็นทารกวันพรุ่งป ร, ร น, นี่ก็ยังไม่ทันรู้อีกเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าพอจุติปับอ้าวทารกอยู่ที่ไหนหล่ะมันก็อยู่ใกล้ใกล้กลักนนะั่นแหละเห็นไหมฉะนั้นเด็กกับผู้ใหญ่บางทีมก็อยู่ใกล้ใกล้กลักนนะเขาก็เลยฝึกให้เลี้ยงหลานไป่ก่อนเนี่ยนะจะได้ไปเป็นตระกูลเหนะก็จะได้เป็นทารกได้นนะก็ฝึกอัธยาศัยเอาไว้อัน เรเห็นว่าอสังสารวัตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเช้าสายบ่ายค่าเสร็จแล้วถ้าถ้าอ่านชาดกมากๆนะเห็นอย่างหนึ่งคือไอ้คู่ครองกันไอ้เวียนไหวตายเกิดอ้าวอีกพาติหนึ่งเอาเป็นแม่กันอีกชาติหนึ่งอ้าวไปเป็นสามีพันยากันอีกแล้วอีกชาติหนึ่งอ้าวไปเป็นลูกกันอีกแล้วเงี้ยนะมันก็สับสนไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนั่ก็ปนปนกันไปอย่างนี้แหละสังสารวัตเนี่ยนะอีกชาติหนึ่งโอ้ยเป็นที่เคารพเชื่องกันและกันนะอย่างบาง เอาเอาพระอุบลวรรณเถรีกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอ้าวบางชาติเป็นลูกกันนะโอ้เป็นลูกอีกชาติหนึ่งอ้าวเป็นคู่รักกันอีกและอีกชาติหนึ่งอ้าวเป็นที่เคารพกันอว่าคนนั้นกราบอีกคนอีกคนไปกราบกับอีกคนอย่างไงนะมันก็โอ้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงสับเครากันไปอย่างเงี้ยนะก็เปลี่ยนกันนับถือกันไปอะไรกันไปนี่ก็สังสารวัตรมันก็เป็นอย่างงี้นี่แหละเห็นไหม ก็คู่ครองก็เปลี่ยนกันไม่รู้กี่ไม่รู้ปี่เปลี่ยนต่อปีเปลี่ยนจนที่ก็บอกว่าคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องโดยความเป็นคู่สามีภรรยา ก, ก็หาได้ยากในโลกเนี่ยนะไ อ, ไอ ส, สังสารวัตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะมันมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเนี่ยนะมันก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนคละเคล้ากันไปอยู่เท่านี้แต่ทีนี้ว่าไอความที่อวิชามันปกปิดอดีตอวิชาเนี่ยมันปกปิดอดีตอย่างหนึ่งนะงานของเขาปกปิด อนาคตปกปิดทั้งอดีตอนาคตปกปิดปฏิจจสมุปบาทบอกปิดกรรมและผลของกรรมพอปกปิดเข้ามันก็มีอะไรก็มีแต่ความเพลิดเพลินเนี่ยนะความเพลิดเพลินก็ชักลากพาไปเนี่ยนะอ้ามก็เพลินจริงๆอ่ะเนี่ยนะก็สนุกดีออกเลยแล้วใครไม่สนุกบ้างเนี่ยนะบรรลึกชาตินั้นเกื้อกูลต่อต่อการ เจริญวิปัสสนาเป็นอย่างมากให้เห็นถึงความไม่เป็นสาระของของสังสารวัตรอย่างอีกอย่างหนึ่งนะถ้ายิ่งใครระลึกชาติได้มากนะถ้าอย่างที่พระ อ, องค์แสดงว่าเออระลึกชาตินะหนึ่งชาตินะโครงกระดูกเก็บไว้ระลึกหนึ่งชาติเก็บโครงกระดูกระลึกหนึ่งชาติเก็บโครงกระดูกไว้นะกองกองกององก็บอกมันใหญ่กว่าเขาวิปุระบรรพตอีกเขาวิปุระบรรพตนี่ก็ไม่ได้เล็กๆอะไรเนี่ยนะก็น้องๆดอยสุเทพนี่แหละ มันก็หนึ่งกับนะเก็บกองกระดูกไว้อย่างนี้เขาบอกว่าพระภิกษุนี้ถ้าจะไปดูภูเขาก็ดูทะเลเนี่ยท่านบอกว่าสมควรทำว่างันแค่ว่าเออถ้าจะไปเที่ยวนะที่ไหนหน่าไปได้บ้างก็บอกว่าสมควรจะไปดูเขากับดูทะเลว่ากั้นถามว่าไปดูทะเลมีประโยชน์ยังไงก็จะได้เน้นว่าโอ้น้ําตาของเราทั้งหลายที่เวียนว่ายในวัดตะมากกว่าน้ําเหล่านี้นะเนี่ยนะเสียใจทําตาปริบๆเก็ บ, บ, บ, บ, บน้ําตาไว้ทีละหยดสอหยดเนี่ยนะมากกว่าน้ําทะเลอันนี้อีก เอาไปดูเขามีประโยชน์อะไรก็จะได้ดูว่าเออเนี่ยนะกองกระดูกที่เวียนไหวตายเกิดเนี่ยมันสูงใหญ่กว่าภูเขาเหล่านี้อีกเฉพาะกับเดียวนะแล้วมันกลับมันกลับเดียวซะที่ไหนล่ะเนี่ยนะกับไม่ใช่กับเดียวใช่ไหมใครที่ระลึกชาติได้นะท่านบอกว่าพระเอาผ้ารหันเลยพผ้ารหันระลึกได้หนึ่งวันแสนกับอย่างเงี้ยนะระลึกวันละแสนกับแสนกับแสนกับมีอายุร้อยปีนะก็ระลึกแล้วมันก็ไม่สุดอะไร เส็จแล้วเอาอีกมาอีกหนึ่งองค์มีอายูร้อยปีอย่างเงี้ยนะมาละลึกวันละแสนกลับไม่ทําอย่างอื่นนั่งระลึกชาติอย่างเดียวสององค์ผ่านไปสามองค์สี่องค์นะก็ระลึกไม่มีสิ้นสุดว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหรมันไม่มีจบมีสิ้นนะก็ถอยระลึกไปแต่ไม่ใช่ว่าโลกธาตุอันนี้อันเดียวนะโลกธาตุเนี่ยก็ทําลายสร้างสร้างทําลายทําลายสร้างมันเหมือนกับว่าบ้านนะนะถ้ามองโลกเป็นบ้านก็จะคล้ายๆกันอ้าวใช้มาจนผุผุเสร็จก็สร้าง น, นะสร้างอยู่ใช้ไปจนผูผู้เสร็จก็สร้างก็เปลี่ยนก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะไม่มีจบมีสิ้นนะแต่ทีนี้ว่าด้วยอํานาจของอวิชชาที่ท่วมทับเนี่ยนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษอะไรเนี่ยนะก็น้อยนักที่ที่คนจะคิดว่าเป็นเป็นโทษน้อยนักที่จะคิดว่าเป็นเป็นภัยเนี่ยนะที่มัทที่เป็นอย่างนั้นก็ด้วยอนุภาพของอวิชชานั่นเองมันปกปิดเอาไว้เนยนะนะปกปิด ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความทุกข์เนี่ยนะมันยื่นเสนอเข้ามาในรูปแบบของความสุขเนี่ยนะคือคือถ้าสุขมีที่ไหนนะให้รู้เถอว่าต้นเขาแห่งความสุขเนี่อต้นเขาแห่งความทุกข์นะได้เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะสำนวน ว, นว่าสังเวียนแห่งความลาบากได้เริ่มขึ้นแล้วนะระคังแห่งทุกข์ได้ดังขึ้นแล้วมันกะ็ทุกติดตาให ม, มา่บานเนี่ยนะ ก็ไม่ต้องระลึกอดีตชาติได้นะนั่งระลึกแต่เฉพาะชาติเนี่ยนะบุการน่งลองระลึกไหมหกสิบ็ดปีเนี่ยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะทุกวันทุกวันนะนะคือนั่งทบทวนทุกวันทุกวันทุกวันน้องหกสิบเจ็ดปีนะก็ไม่ถึงสามหมื่นวันนะก็ไม่ถึงสามหมื่นวันสองหมื่นกว่าวันพอสองหมื่นกว่าวันเนี่ยมันนั่งนึกดูโหแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปแต่ละวันผ่านไปเช้าสายบ่ายค่ำเช้าสายบ่ายค่าอาหารวันละสามื้อเนี่ยนะสนุกหรือเปล่าไม่สนุกกันนะ ไม่สนุกนี่นแหละเจงสแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์อ่ะเนาะเพราะถ้าสนุกนะไม่ได้มาที่นี่หรอกว่างั้นหน่หมอหมอินต่อหนอกไปชักไม่ค่อยสนุกแล้วเนาะอ๋อมันหมดแล้วนะ อย่างมากก็ น, นั่งฝันไงว่าเออเคยมีความสุขอนะก็คนเคยสุขแค่นั้นเอง <Okay. S 1> นี่ต่อไปนะว่าเธอย่อมรู้เห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ ด, ด, ดีตกยากด้วยที่ประจักษ์สุขอันบริสุทธิ์ร่วงจักสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายญาตุจริญวจีทุจริตมโนทุจริตเตเจียนท่าเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตแล้วก็นรกเนี่ยนะตามสูตรกายญาตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะสข้อนี้ก็คืออกุศลกรรมบท10บนั่นเองที่ตกอบายก็คือด้วยอนุภาพของอกุศลกรรมบท10 แต่ในบรรดาอากุศลกรรมบท10แยกออกมาเป็นพิเศษอีกสองข้อในบรรดาวจีทุจริรศประการนะที่น่ากลัวที่สุดคือติเตียนท่าอริยะอันนี้มีโทษเท่าเท่ากับอนันตริยกรรมถ้าไม่ขอขมานีมีโทษเท่าอนันตริยกรรมถ้าขอขมาก็อ่าไม่ไม่มีโทษคือหมายว่าไม่นําเกิดเนี่ยนะคือคือไม่ไม่นําไปสู่อบายแต่ถ้าไม่ขอขมาก็ก็มีโทษเท่าเๆกับอนันตริยกรรม ก็ติเตียนพระอริยะต่างจากอนันตริยกรรมตรงที่ว่าอนันตริยกรรมนี้ขอขมาไม่ได้ติเตียนพระอริยขอขมาได้แต่ว่าโทษเท่าเท่ากันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นติเตียนพระเจ้าท่านจึงแยกมาเป็นพิเศษในในบรรดาพระจีทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะส่วนมโนกรรมเนี่ยนะทั้งทุจริตที่เป็นมโนโกรรมอภิชาพยาบาทแยกมิจฉาทิฏฐิออกมาอีกพิเศษให้เห็นว่ามันมีโทษมากกว่าอนันตริยกรรม มิจฉาทิฐินะนิยตามิจฉาทิฐิเนี่ยแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้ไม่จํากล่าวถึงผู้อื่นมาแก้ไขได้คนที่ทำมานันดริกรรมนะพระพุทธเจ้าทําให้เขาทำเจริญกุศลได้แต่คนที่เป็นมิจฉาทิฐิพระ อ, องค์สอนให้เขาเจริญกุศลไม่ได้พระเจ้าอาชาตศัตรูนะพระ อ, องค์สอนให้เขาเจริญกุศลได้พระเทวทัตทำสังฆเภทก็แนะนําให้ท่านทำสามารถทํากุศลได้ในบ้านปลาย แต่คนที่เป็นนิยตมิจฉาทิฐิพระ อ, องค์แนะนำให้เขาเจริญกุศลไม่ได้เนี่ยนะก็เลยแยกอักุศลกรร ม, มบทออกมาพิเศษสองข้อคือติเตียนพระอริยเจ้ากับมิจฉาทิตฐิแยกก็แยกออกมาเป็นส่วนพิเศษเนี่ยนะว่าสองอย่างนี้มีโทษมากเนี่ยนะอันนี้นก็ผลที่ออกมาก็คืออบายทุกติวินิบาทนารกเ น, น, นี่ยอบายทุกติวินิบาศนรก็ไล่ตั้งแต่เดรฉ า, านเนี่ยนะ เดรฉานไล่ลงไปเนี่ยซึ่งหมู่เดรชานไม่ได้น้อยเลยนะคือเขาถามว่าสัตว์น้ำกับสัตว์บกไหนามากกว่ากันเนี่ยนะสัตว์น้ํากับสัตว์บกไหนามากกว่ากันเนี่ยนะโอ้โหจะอะไรจะไปเทียบสัตว์น้ําได้สัตว์น้ำเนี่ยมากขนาดนั้ น, นนะและอบายอีกโดยเฉพาะนรกบางอย่างเนี่ยอย่างคําว่าอเวจีเนี่ยแปลว่าเออาจยัดเยียดเท่าเหมือนกับนธนานดีบุก อ่านะนานดีบกเนี่ยนะมันไม่มีว่างไม่มีพร่องเลยนะเต็มไปหมดนะบาปประกรรมทั้งหลายเนี่ยนะใครจะทําบาปด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะบาปมันก็คือบาปวันยังค่ําแต่ทีนี้คนทานในยุคนี้ก็หาอหาข้อมูลที่ว่าฉันทําบาปได้ไม่ผิดเนี่ยนะไม่ไม่มีโทษก็หาเหตุผลไปว่าฉันทําบาปเพื่อพ่อบ้างเนี่ยนะฉันต้องทําบาปเพราะแม่บ้าง ฉันต้องทำบาปเพราะพี่บ้างฉันต้องทำบาปเพราะน้องบ้างฉันต้องทำบาปเพราะญาติบ้างฉันต้องทำบาปเพราะต้องรับแขกบ้างฉันต้องเพราะข้าทาสกรรมกรคือสรุปว่าฉันต้องทำบาปเหือนั้นเถอะแต่ว่าถึงเขาจะทำด้วยเหตุผลใดก็คือเหตุแห่งอบาอยู่ดีเหมือนกับว่าเราไปปล้นธนาคารนะจะตั้งข้อแม้ว่าจะไปปล้นเพราะ <mumbles. S 1> าารเหตุผลใดก็ช่างมันก็คือปล้นวันยังค่อมนั่นแหละเเอาเป็นได้ไม้มเขา ธนาคารก็จะผ่อนันนะถือเอาไงถือปืนเข้าไปในร้านขายทองเนี่ยนะก็บอกฉันจะขอเอาไปเลี้ยงแม่เงนะเขาจะยอมไหมไนะก็ไม่ยอมมันยังค่ำบาปประกรรมทั้งหลายก็เหมือนกันนะแล้วแต่ใครจะคิดเถอะถ้าสิ่งนั้นคือการล่วงอักุกูสนกรรมบทมันก็คือบาปมันยังค่ำจะคิดมาทำเพื่ออะไรก็ช่างเถอะเนี่ยนะอันยมพบาลเขาก็ไม่ได้เขาเขาไม่ได้ว่าเออนะเออดีละเธอทําพาะพ่อมเพาะพ่ อ, พ อ, พ อ, พอ เอาบาปน้อยหน่อยเนี่ยนะไม่เลยเนี่ยนะเพราะบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญแต่ทีนี้ของเราก็จะเอาเหตุผลของเราไปไปอธิบายเนี่ย น, ยนยยกยะ ก, น ก, ก็บุญยังทำได้เท่ากันนะบาปนะเนี่ยนะบุญยังทำได้เท่ากันบาปก็ไม่น้อยกับกันนักหรอก แต่กอ็อาจจะไม่ถึงกับเท่ากันเช่นท่านบอกว่าทําลายพระศีมหาโพลกับทําลายพระพุทธรูปเนี่ยเออทำลายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ก็บาปกว่าแต่ทีนี้ถ้านี้แต่ทําลายต้นพระศีมหาโพลเนี่ยนะก็บาปไม่ได้ต่างอะไรจากทําลายพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะหรือทําลายพระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยนะนั้นบาปเหล่านั้นก็ไม่ใชน่น้อยเลยนะ ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าถึงจะดับขันปรินิพานก็ดีถึงจะทรงพระชนอยู่ก็ดีถ้าศรัทธาเท่ากันทําแล้วก็บุญไม่ได้แตกต่างกันเลยและทีนี้ถ้าบาปเท่ากันละ่ะสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่กับสมัยนี้ละ่ะก็ไม่ได้แตกต่างกันนะัดนะครับติเตียนพระพุทธเจ้าตอนที่ดับขันปรินิพานกับตอนที่สิ้นพระชนอยู่ก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะก็มีเศรษฐีคนหนึ่งอะ่ะเขาเข า, เขากำลังทะเลาะกับ ภรรยาเขาอยู่ทะเลาะ ก, กับแม่บ้านนะเพราบ้านแม่บ้านเขาทะเลาะ ก, กันธรรมดาเลยนะและ้ววันหนึ่งพระก็มาบอกว่ายอมช่วยกันสร้างเจดีย์หน่อยนะเออเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้าของท่านไปโยนลงน้าไปค <c oughs> ือทะเลาะกับเมียนนะแต่ก็พลาดไปถึงพระจนได้เสร็จแล้วแม่บ้านก็เลยให้สตินะอา้าวทะเลาะกันนี่ไปเกี่ยวอะไรกับพระนะมันบาปมากรู้หรือเปล่าก็บอกแล้วบอก สำนึกเลยครับนี้ก็เลยบอกจะขอขมาก็ขอขมาพระธาตุแต่ถึงขอขมานั้นนะนะกรรมก็ไม่ให้เกิดนรกแต่ว่าแกเกิดมาชาติไหนเขาก็เอาไปถ่วงน้ําเอาไปพอครอบตับเขาก็เอาไปลอยน้ำเลยนียนะกรรมมันนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็โอ้โหปากนี่ระวังให้ดีๆแล้วทางกายก็เหมือนกันนะถ้าทําลายอย่างทําลายพระพุทธรูปเนี่ยนะก็มันก็คงจะเห็นชัดแหละมั้งทุกวันเนี่ยนะถ้าถ้าทำลายพระพุทธรูปอะไรมันจะเกิดขึ้น ก็เดือดร้อนผลของบาปเนี่ยแหละนนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายิ่งทํากับผู้มีคุณมากมันก็ยิ่งบาปมากมันก็ถามว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะใครจะไปคิดยังไงกับพระองค์พระองค์ก็เป็นสุขโตอยู่วันยังค่ำนะนะั่นแหละเป็นอรหันต์วันยังคนะ่ําน่ะใครจะไปทำลายอะไรพระองค์ได้เพราะพระองค์พ้นแล้วเนี่ยนะพระองค์พ้นจากโลกแล้วนะ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะเห็นตถาคตตราบเท่าที่ยังมีพระชนอยู่เท่านั้นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นละพระ อ, องค์ก็ไปดีแล้วอย่างเงี้ยนะเสร็จ แ, แล้วคนอื่นๆที่ไปไปทําบาปกับพระ อ, องค์พระงค์ไม่ได้เสียอะไรไม่ได้ไม่ได้ลดลงเลยนะว่าอารหันตะคุณของพระ อ, องค์ลดลงหรือไปชมแล้วอรหันตะคุณเพิ่มขึ้นไม่มีเท่าเดิมที่เรียกว่าตาที่โนผู้คงที่ทั้งอิฐฐานลมและอนิฐานลมเท่าเดิมหมดเลยแต่คนอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องอย่างเนี้ย ไปเกี่ยวข้องในฐานะว่าพระองค์พ้นแล้วก็เออพระองค์นี้ดีนะยังมีพระมหากรุณายังช่วยให้เราพ้นด้วยบอกแนวทางบอกข้อปฏิบัติก็ถึงพระองค์เป็นสารณะอันนี้ก็เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ไปถ้าขณะเดียวกันล่ะถ้าคิดตรงกันข้ามก็โอ้อะไรจะมีโทษถ้าก่านนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะก็ถ้าว่าไปนะ ด่าคนทั้งประเทศกับด่าพระพุทธเจ้าองเดียวนะด่าคนทั้งประเทศนะบาปน้อยกว่าด่าพระพุทธเจ้าเยอะเนี่ยนะเทียบกันไม่ติดเนี่ยนะพระโสดาบันเต็มโลกนะพระพุทธเจ้าอง์เดียวก็มีคุณกว่าพระโสดาบันทั้งหมดนั่นอ่ะเต็มโลกนั่นอ่ะพระพุทธเจ้าองค์เดียวมีคุณกว่าเยอะเนี่ยนะก็คนที่มีคุณขนาดนี้สัตว์ทั้งหลายยังไม่เห็นคุณเลยนะถ้ายังไม่เห็นคุณก็น่ากรุณาขนาดไหนว่าโอ้โหเขาเขาเขาบอดจริงๆเนี่ยนะรู้เลยว่า เขาเนี้มีทุกเป็นเบื้องหน้าจริงๆข้าหน้าหน้าการุณามากๆนะเหมือนกับว่าอา้าวคดีนี้นะไปด่าคนมีคุณทีเขาสั่งโบยหนึ่งล้านครั้งเนี่ยนะแล้วก็โหมันจะหน้าการุณาขนาดไหนนะโบยหนึ่งล้านครั้งอ่ะนะหัวทิ้งเลือดก็อ่ะนะเนื้อหลุดมากับมากระแท่เลยนะโบยทีเนื้อก็หลุดมาพร้อมกับแท่เนี่ยนะเป็นล้านล้านครั้งเนี่ยคนแบบนั้นเนี่ยหน้าการุณาขนาดไหน ทีนี้ส่วนสัตว์เหล่านี้ที่ประกอบด้วยกายาสูจริตวจีสูจริตมโนสูจริตไม่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ผลสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะกับไม่ติเตียนพระเรียเจ้าก็มีคุณมากไม่ติเตียนอะ่ะตรงกันข้ามกับติเตียนคืออะไรตรงกันข้ามกับติเตียนก็คือสรรเสริญหรือชมเพราะฉะนั้น การอย่างอย่างที่เรียกว่าสวดมนต์ชื่นชมพระคุณเนี่ยนะด้วยความเข้าใจเนี่ยมีบุญมากนะก็บอกว่าด่าคนที่ควรชมชมคนที่ควรดา่านี่มันเท่ากันมีโทษเท่ากันด่าคนที่ควรชมกระชมคนที่ควรดา่ามีโทษเท่ากันทีนี้ในขณะเดียวกันนะถ้าตําห น, ค น, นิคนที่ควรตําหนิชมคนที่ควรชมก็ได้บุญเท่ากันอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเอ สันเสริญนะอย่างอารหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวะบอกพระพุทธเจ้าเป็นผ้าอารหันต์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะอย่างเงี้ยนะด้วยการชื่นชมแม้กระทั่งบทสวดมนต์ทั้งหลายก็เป็นบทที่สรนเสริญคุณว่าคุณเช่นนั้นเช่นนั้นมีอยู่จริงเนี่ยนะงั้นก็นับว่าเป็นการชื่นชมมันก็นับว่ามีคุณมากเนี่ยนะได้ไ ด, ได้มีเป็นบุญอย่างมากแล้วก็ ถ้าใครที่ดูผลของการชื่นชมหรือหรือที่เรียกว่าสรรเสริญพระพุทธเจ้ า, านะอ่านอภิปปานก็จะเห็นนะ น, นะเชื่อถามอาจารย์มินิดดูว่าผู้ที่ชื่นชมพระรัตนตรัยนะพ้นทุกข์กันม า, มามากต่อมาแล้วนะดูในอปทานจามินิดว่าไงพูดถึงเป า, าเจ้าผมสังเกตว่าอ่านพาระพุทธองค์พระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ เราวาก็เป็นพระสัพพายูแล้วแต่พระพุทธเจ้าของเราคือพระสัมมาโัมพธปปีของทั้งสงศใส่ใหม่ก็ลงไปอานก็ชอบศึกจาปัญญาคือสมัยที่พระองค์เกิดเป็นโสติบาละไปเป็มาพระพุทธเจ้าสัปปะทำไม ก็ไปตำเนธนะว่าไปหาทำไมบอกโพธิยานได้โดยยากอย่างั้นะก็คือไปว่าคนอื่นว่ายากนะตัวเองก็เลยยากจริงๆอัไหนหกปีนะก็ทำให้คิดวิบัติตลอดเลยในระยะ6หกปีเนี่ยว่าจะบรรลุได้มันต้องอดอาหารมันต้องกลั้นลมหายใจมันต้องอย่างนั้นเนี่ยนะก็ไปเน้นอัตตากิละมถาธนุโยกแต่ข้อปฏิบัตินี่ถามว่าผิดไหม เว้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอดอาหารซะตัดอดอาหารซะตัดทรมานตัวออกซะแต่ข้อปฏิบัติทางมโนเนี่ยผูกไม่ผิดอะไรในระยะเวลาหปีนั้นนะคือตัวตั ว, ตวความเพียรเนี่ยนะหรือตัวสัมมารประธานพระองค์ไม่ได้ผิดอะไรที่ที่เจริญนะัส ม, มาถาวิปัสสนาตอนนั้นไม่ผิด แต่ที่ผิดคืออัตตากิละมะถานุโยกที่อะไรที่มันเกินเกินไปเช่นอดอาหารเนี่ยนะเช่นไปใช้อิรยาบทเดียวเช่นกลั่นลมหายใจเนี่ยอันนี้ซึ่งมันมันนอกสูตรนะคือคือไปคิดพวกสูตรพวกเภทเนี้ยเพิ่มเนี่ยนะแต่ว่าข้อปฏิบัติสมถะวิปัสนาตอนนั้นไม่ผิดอะไรตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเพียงแต ว, ว่า ทำเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะปกะติทางมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเดินพอดีแต่เจ้านี้วิ่งไม่เลิกกันนะวิ่งอย่างเดียวเลยนะมันก็เนหน็ดเหนื่อยมันก็เมื่อยล้าไปอะไรไปมาบลุเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้พง ไ, ไม่ได้นนเจริญมิจฉาสติมิจฉาสมาธิอะไรเลยนะตอนที่ ท, ที่ที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ปฏิบัติผิดเลยแต่ที่ก็ด้วยบาปบางอย่างที่ว่า อ่าที่ไปตีเตียนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะก็เลยทําให้ตัวเองคิดอะไรที่มันยากๆเข้าไว้ว่ามันต้องยากอย่างนี้นะมันต้องไปทรมานแบบนั้นมันก็ต้องไปอดอาหารแบบนั้นเนี่ยนะก็ทำให้คิดวิบัติแต่ส่วนที่เป็นส ม, มถาวิปัสสนา ก, ก็ก็ตามคําสอนอยู่ดีเนี่ยนะพันเวลาที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วพระ อ, องค์ก็ยังสรรเสริญความเพียรใช่ไมอัะนนะัว่าบางสูตรก็บอกว่าโพธิญาณที่เราได้บรรลุนี้บรรลุเพราะความเพียรนะ เนีนะก็สรรเสริญความเพียรแต่แต่ว่าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บําเพ็ญเพียรเนี่ยพระองค์คํานึงถึงสปายะไหมคํานึงถึงอาหารสปายะอิริยาบถสปายะไม่คํานึงตรงนี้เลยนะแต่ถามว่าที่บรรลุเพราะอะไรเพราะมาคํานึงถึงสปายะอาหารสปายะกับอิริยาบถสปายะเนี่ยนะก็พอได้สปายะหลายด้านแนละ้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนาแบบที่เคยเจริญนั่นแหละก็เลย ร, รัเนี่ยนะก็ถ้าไม่ไม่ศึกษาข้อปฏิบัติตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ให้ดีๆเนี่ยนะก็ก็จะเข้าใจผิดตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านท่านสงสัยหลายเรื่องท่านก็ตั้งคาถามว่า เออธาตเป็นยังไงนะอะไรเป็นอ <course> ัศธะของธาตอะไรเป็นอาทีนวะของธาตอะไรเป็นเหตุเกิดของธาตอะไรเป็นความดับของธาตอะไรเป็นนิสสารณะของธาตท่านก็คิดประเภทนี้นะเอออะไรเป็นอายตนะนะอายตนะเป็นฉนัยอะไรเป็นเหตุเกิดของอายตนะอะไรเป็นความดับของอายตนะอะไรเป็นอัาธาอาทีนวะนิสสารณะของอายตนะ อ, อะไรเป็นขันขันเป็นชะไนอะไรเป็นเหตุเกิดของขันอะไรเป็นความดับของขันอะไรเป็นอาสาอาธาอาทีนวานิสารณะนะ ท, นท่านก็คิดพวกนี้แล้วท่านก็หาคําตอบตลอดเนี่ยนะคิดแล้วก็หาคําตอบคิดแล้วก็หาคําตอบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรเลยนะตอนหกปีแล้วก็หมาเขาอยา ก, กยูก็แหมไปเกรงเมื่ อ, อไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ศึกษาพุทธประวัติโดยที่ไม่เข้าใจรายละเอียดในข้อปฏิบัตินี่นะก็จะไปเจริญรอยไอ้ตามที่มันผิดอนะนะคือคือ ถ้าเอาทั้งสมถาวิปัสนาด้วยอดอาหารด้วยไปเจริญรอยทุกขเบียนนิ้วตามมันจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือไปเอาเฉพาะไอที่อิริยาบถ ท, ที่มันอุกรฤษมากเนี่ยนะสํานวนว่านั่งยนกระดูกเคลื่อนเลย น, นะมีนั่พระบางรูปนั่งกระดูกเคลื่อนเลยก็ถามมาได้อะไรอา้าวเราไปเล่าบอกใครที่ไหนเขาก็ชมไงว่าโอ้โหท่านจริงจริง เป็นจริงนะถ้าเราศึกษาไม่ละเอียดนะเราบางทีอาจจะกล่าวคำพูดอะไรไปที่มันไม่ถูกด้วยตรงนี้ก็ต้องมีโทษไม่มากก็ น, น้อยนะเข้าใจผิดด้วยนะเพราะว่าจริง ท, ที่จริงแล้วพระองค์นะทรงทำปริญญากิจมาตั้งสี่อสงไขยกับอีกแสนกับหมายความว่าศึกษาเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตในวัฏฏะเนี่ยยืนยามาขนาดนั้นเนี่ยแล้วหกปีสุดท้ายพระองค์จะไม่คิดเรื่องนี้เลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว พ อ, องค์เป็นผู้ที่ที่มีปัญญามากหาผู้อื่นเปรียบมิได้เนี่ยนะก็ไปดูตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเส้นไปอ่านชาดกในหลา ย, ลายเรื่องไม่น่าเชื่อว่าท่านจะฉลาดขนาดนั้นแต่ถามว่าเราไม่ต้องไปสงสัยหรอกเพราะอะไรเพราะมันสีอสงไขยแสนกลับมาแล้วอะเพียงแต่ว่ารออินทรีรออะไรแก่กล้าเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับพุทธภรรกรมาก็ ทั้ง24พระองค์แล้วนะบุญไหนบางที่ท่านไม่เคยทําไม่มีทําบุญมาจนไม่รู้กี่กจีทําและทรงพระไตไปดกมาก็ไม่รู้กี่กี่ชาติแล้วทั้งทรงพระไตไปดกเป็นเท้ามหาพรหมไม่รู้กี่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะนะเป็นเท้าสกกะจนนับไม่หวาดไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าท่านชํานาญหมดแล้วนะโลกกระทเนี่ยเพราะเป็นสม น, นวนว่า เป็นสัตว์ที่เป็นใหญ่ในโลกกระทาซะนานเลยนะก็เป็นผู้ใหญ่ปกครองแผ่นดินมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแนละ้วท่านไม่รู้อะไรมันก็เกินไปแล้วแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่มันก็ ค, คือคือนะเขาบอกโอ้โ oh, หคนนั้นสวยมากหล่อมากนีเราก็เอาเราไปเปรียบดูสักหน่อยวนะ่าเขาเขาหรือเปล่านะคือคนโดยมากมันจะเป็นลักษณะนั้นจะอดเอาเราไปเปรียบไม่ได้น ะ, ะเพราะได้ดีนวะ่าคนมีเรี่ยวมีแรงนะเอเราก็ดูว่ากําลังเรานี่มันเท่าไหร่นะก็ไปจะเอาอดเอาเราไปเทียบไม่ค่อยได้ ทีนี้เอาเราไปเทียบนี่ถ้าไปเทียบบางอย่างก็ดีไปเนี่ยนะคือถ้าเทียบใ น, นลักษณะว่าเขาก็บรลุทําไมเราจะบรรลุใหม่ได้อถ้าอย่างนี้ดีที่เรียกว่าอาศัยมานะละมานะนะตรงนี้พระองค์สรรเสริญแต่ว่าถ้าในด้านอื่นๆนี่ไม่มีสรรเสริญเลยตําหนิทีนี้ข้อสุดท้ายนะคือทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเทียวเข้าถึงอยู่ อันนี้หมายถึงอรหั ต, ตผลนะเน้นที่อรหั ต, ตผลปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้หมายถึงอรหั ต, ตผลอย่างเดียวเหธรรมะทั้งหประการนี้ควรทำให้แจ้งถ้าดูในเทรักฐานะเทรคกฐาพระารหัตในเทรคกฐานนี้ได้อภิญยาเหล่านี้ทั้งหมดทุกองอภิญยาหกเหล่านี้เนะี่ยได้ทุกองเหนไ วิโมกแนั้นวิโมก8หมายถึงโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกาธาคามีมกักสกาธาคามีผลดูแรกๆจะอธิบายไว้อย่างนั้นดูในดูในอัปทานก็ได้คําว่าวิโมกแไม่ใช่หมายถึงวิโมก8คืออ่านะได้รูปภายในเพ่งรูปภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงโสดาปฏิมักก็1วิโมกสกาธาคาัมโซดาปฏิมักหน สดาปฏิพันธเป็นสองเนี่ยนะก็ไล่ไปมรคสผลสีนั่นแหละเรียกว่าวิโมกแปดแมนะ่นั่นแหละนั่นเรียกว่าวิโมกแปก็คือมรคสี่ผลสีเรียกว่าวิโมกแปดเฉพาะเฉพาะในอัปทานนะข้อความนั้นมาจากอัปทานนั่นขยายว่าได้มรคสี่ผลสีนั่นแหละเรียกว่าวิโมกแปดนะธรรมะหกอย่างนี้ควรทําให้แจ้งนะทีนี้ของเราทั้งหลายถ้าพื้นฐานเป็นกลุ่มศรัทธาวิมุติ การการตรัสรู้ธรรมะเนี่ยนะมีมีมอธิมุติอยู่อยู่สองอย่างด้วยกันคือผู้ที่ที่ตรัสรู้นะบางบางท่านเนี่ยมีศรัทธาเป็น เป็นตัวนำบางพวกมีปัญญาเป็นตัวนำถ้าผู้ที่มีศรัท ธ, ธาเป็นตัวนำเาเรียกว่าศรัท ธ, ธานุสารีเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเป็นตัวนำเรียกว่าธรรมานุสารีเนี่ยนะธรรมะตัวนี้เป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะศรัท ธ, ธานุสารีกับธรรมานุสารีทั้งคู่นี้แทงตลอด อริยสัจเหมือนกันสัทธานุสารีเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนเหมือนดาบนะอันนี้ถ้าสัทธานุสารียดาบไม่คมไม่คมถ้าถ้าธรรมานุสารีนะพวกนี้จะคมมากสานวนว่าถ้าตัดต้นกล้วยนะดาบทื่อๆนี้ตัดต้นกล้วยขาดไหมไม่ถ้าแรงมากมันก็ขาดนะไม่อยู่หรอ มันแต่ว่ามันเสียงมันดังอ่ะนะ ม, นมันขาดแบบค่อนข้างดังมากแต่พวกดาบคมๆนะฉับเดียวก็ขาดแล้ว